อีกห้าไปแสดงความเสียใจด้วยที่คุณจะต้องประสบกับชาติทุกทุกชาติทุกมนม้ำแล้วคุณจะต้องโศกอีกเยอะแค่ขันเดียวคุณก็โศกมาอย่างยาวนานแล้วถ้าคุณไปเพิ่มอีกห้าขันคุณจะโศกยังไงวันก่อนน้องสาวเมื่อปีที่แล้วต่อมาเรื่องานจะแต่งงขันมาพูดเตี้ยเลยบอกไ <c oughs> ม่ น, นี้มันไปแล้วดีแล้วแล้วบอกว่า บอโอ้โหเองงีโง่เนี่ยมาใช้ภาษาพูดกับน้องหนึ่งว่าเองนี่งนงโง่ก็หา้าคันจะทุกจะตายอยู่แล้วอยู่ไปเอามาอีกนหา้าเขาบอกว่าเขาเรียกรมาเรียกลงที่ลงพี่ก็สบายที่วนั้นหนะลงพี่บวชแล้วนี่ก็อยู่คนเดียวได้ <c oughs> บอกเองอยู่คนเดียวที่ไหนยังไปดูบนหัวที่มีหัวเต็มไปหมดแล้วในร่างกายก็เชื้อโรคเต็มนี่เยอะไม่รู้กี่ร้อยคัน สัตว์อยู่ในตัวเองก็แปดสิทกุลเองไม่ได้ไปเหงาเลยเราเองเหงาปุเองก็เอยากจะดูสัตว์อย่างเดียวกันมาอยู่ด้วยแล้วเดียังก็โทรแล้วจริงๆนะไม่ทึง 4-5 สีห้าเดือนนะโทรมาเป็นเหมือนรอที่ว่ามจะจริงยังไงตกจริงๆก็เราหน้าเบื่อจริงก็เหงเลยทีเีเบื่อไม่จริงหรอกแต่ไม่อยากจะบอกว่าเบื่อจริงต้องเดินออกมาให้ได้ ใช่ไม่ใช่นี่ไม่เบื่อจริงเนี่ยเบื่อจริงต้องเดินออกมาได้ใช่มไหมงั้นถ้าเบื่อจริงๆเนี่ยมันต้องกล้าใช่ไหมมันต้องกล้าอ<ช>ที่เราไม่กล้าเดินออกมาเนี่ยมันคือมันเบื่อไม่จริงถ้าถ้าถึงวาระถึงวาระที่เบื่อจริงๆนี่นะต่อเอาช้างมาฉุดก็ไม่ดีเดี๋ยววอร์ิสัตว์ดเอาอย่าออกคือจะเป็นจักรพรรดิท่านอยู่ไหมล่ะ ถุยทิ้งเลยเหมือนก้อนก้อนเศษติดปลายลิ้นเนี่ยนี่ยังนี่ไงเบื่อนี่คือคนเบื่อสงสารว่าแต่เราพอไปถุยๆิ้กับมาเสียดายอยู่แล้วนั่งเสียดายเป็นทุกเพราะเพราะปริมาณของบารมีปริมาณของการบ่พมพร้อมมันไม่พอมันทีมันเบื่อเป็นพรกๆแค่นั้นหละจิ่งเราเนี่ยใช่ไหมจริงไม่จริงเออมันดูเหมือนเบื่อแล้วกเกินเบื่อๆๆเบืเบืือาเงี้ยไปสักสัพักหนึ่งคิดถึงบ้านอีกแล้วมันอยู่อย่างเงีย ไปที่ไหไปตรงนี้แล้วมันจะดีใช่ไหยก็ไปจริงเราคิดไม่ถูกอีกปริมาณที่มันเป็นปัญหาทุกวันนี้เราไม่สามารถทําสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นนะถ้าเราทําสัมมาทิฏฐิหรือความรู้หรือข้อมูลในใจของเรามันชัดเจนนะนั่นแหละแปลปริมาณมันเพียงพอต้นเกต ด, ดูนะพระโพธิสัตว์เดินออกอย่างบ้านไม่เคยมีพบไหนเลยหุนกลับสู่บ้านคือใจอยากนะตอนนั้นเป็นพระโพธิสัต์เนี่ยแต่ว่าด้วยสัจจะที่ตั้งไงไม่ได้ เป็นสัจจะบารมีที่จะบำเพ็ญเนคขมะถ้าจะออกเาตการนั้นออกจริงๆอ ย, อ ย, อยู่ทุกทรมานร้องไห้ประพฤติปฏิบัติก็ทนอย่ถามเหมือนเหมือนเหมือนอะไรมาเนี่ยถามว่าในกรณีประพฤติกระมณญาณทุกไม่ทุกบางครั้งทุกทรมานมน้ำตาไหลไม่ไหลทรมานนะบางครั้งเนี่ยเราต้องมาทรมานสภาพร่างกายอะไรสารพัดใช่ไหมทุกไม่ทุกแต่เราก็คิดว่าเรามีสัจจะ พอพึ่งพรมอาจารย์ที่น้ำตาลงหน้าก้าวไม่แล้วถ้าก้าวงนนี้ไปได้เยอะเลยต้องไม่ท้อมันต้องขนาดนั้นในชีวิตเนี่ยเบิกบานแล้วในอะไรในมุทิตานั่นแหละเพระเป็นผู้เบิกบานในอะไรทั้งหลายเหมือนอย่างว่าพระราชาสเสด็จประพาสพระราชอุทยานที่สมบูรณ์ด้วยต้นไม้ดอกไม้ผลไม้นานาชิดนานาพันธ์เต็มไปด้วยของสวยงามซึ่งเขาจัดไว้อย่างดีย่อมยินดีไม่แล้วยินดีเบิกบานเลยก็เบิกบาน ก, ก็บันเทิงพอพระไทย ในทรัพย์สมบัติในบุญกุศลของตนเองที่ทํามาไม่มต่างอะไรกันนั่นบอกว่าคนที่เกิดมาเพียบพร้อมด้วยวัตถุกรมะคุณทั้งหลาย <c oughs> ก็เหมือนประราชาสเสด็จปฏิภาสอุทยานนั่นแหละยินดีมากเพราะกระตกแต่งร่อตาร่อใจใช่ไหมเหมือนคนไปเที่ยวสวนไปเที่ยวสถานที่สวยๆกำงานที่เขาจัดตกแต่งมันไว้อย่างดีแต่อีเบื้องหลังของการจัดมันเคยไปสังเกตไหมไอ้คนตัดสวนคนแต่งสวนคนทํางไงเขาไม่เคยยินดีเลยอ่ะตรงนั้นน่ะเขาทุกข์มาก แต่สัตวโลกทั้งหลายที่ไปเที่ยวกันโอ้โหพอน้าหนาวขึ้นยงังไงพอน้าร้อนก็ไปพักใต้นี่นะไปยินดีกันอยู่แค่นั้นแหละที่ส่วนจริงก็กลับมาเนี่ยทนทุกข์ทรมานในประเทศกันเล <c oughs> ยก็วิ่งไปวิ่งมากันอยู่เนี่ยเข้าบ้านหลังนั้นออกหะังนี้อยู่นี้เลยมันไม่เด็กใช่ไหมถ้ามีปัญญาหน่อยเราจะรู้อย่างที่พระเจ้าบอก่บางคนโอ้โอากาศที่ดีชื่นใจขึ้นไปบนอากาศอะไรต่างๆนี่เห็นไหม สัตว์โลกก็ไม่มีอะไรหรอกโดนวัตถุ ก, การพอเจอวัตถุ ก, การมที่ดูแหวถูก อ, อกถูกใจเน่ยก็เพื่อคยนี้แม้ว่าอยู่ตรงนี้ละคายทุกได้เลยก็จ ร, จ, รจริงจิงจุดที่เราจะสามารถคือข้อมูลคือความเข้าใจคือสมาธิิให้สังเกตดูนะคนที่มีสมาธิิอย่างบริบูรณ์อย่างพุทธเจ้าแล้วเนะี่ยแปลว่าเขาสามารถกําจัดโลกภายในได้แล้วรนะับที่พุทบเจ้าอุมาตูตี เ, เป็นโรคเลือดเนนะี่ยสมัยก่อนโรคเป็นโรคเลือด แต่พระองค์ได้ยาดีหมอดีแล้วสามารถผ่าตัดจัดการโรคเลือด น, นั้นได้แล้วตนเองก็ไม่ต้องไปย่างแผลสมัยก่อนเวลาเป็นโรคเลือดเนี่ยก็ย่างเขาไปย่างกับเตาไฟอะ่ะถ้าไม่ไม่ย่างไม่ได้มันคันใช่ไหมมันคันหนองมันก็ไหลเต็มตัวไปหมดเนี่ยก็ต้องไปนอนย่างออโรคฝีดาบสมัยก่อนก็เหมือนกันถ้าสมัยก่อนจริงๆก็เรื่องีดาษอีกอย่างนึ่งฝีดาษเนี่ยแปลว่า โยมโยมเล่าให้ฟังโยมปู่เล่าให้ฟังคือว่าเขาจะให้นอนกับใบตองเลยนะน้ำเหลืองไหลเต้ไปหมดเขาเลยโรคพิดาเนั่ยแหละแล้วก็จะยากก่อไฟย่างก่งอไฟเขาย่างไม่ยมีตัวหนอนอยู่ข้างในเหมือนโรคเลือนก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ไม่ไม่โรคเลือนก็คือมันกินมันกัดกินกระดูกกินอะไรต่างๆมันมีตัวสัตว์อยู่ข้างในมันจะเจาะหนอนเหนือนชอนใช้เข้าไปข้างในเรื่อยนะมันจะมีไอเลือดเนี่ยไอเลือดกับน้ำเหลืองอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหม อยูเส้นเลือดเนี่ยจากนั้นถ้ามันมีตัวหนอนตัวอะไรไปเจาะไปชอนไปใช้เสร็จก็แปลว่ามันจะผลิตพวกเหลวน้ำหนองออกมาน้ําเหลืองมามันเน่าคือเนื้อมันเน่ามันกลายเป็นหนองทีนี้มันเอาตัวพวกนี้ออกไม่ได้มันเยอะจัดมันรักษายากโรคพวกนี้ใส่ยาอะไรก็ไม่หายเนี่ยนะก็มีพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆนี่เขาก็ไปยากยากมันแห้งก็หายคันดิทีนี้ไอ้ตัวขอบแผลเนี่ยมันก็ยังมีจุดคันอยู่เก่าแกะสเก็ดแกะแกะ ไอตัวนั้นมันก็ใช่มันนี่จึงคันใหญ่ใช่ไหมไอตัวเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในตัวนอนต่างๆยังไงมันก็ใช้เข้าไปไอน้านองก็ไหลออกมาก็บีบมีความสุขตรงนั้นแหละนั่นแหละที่เราได้เซอร์การมาคุณทั้งหลายก็เหมือนที่เราได้รับความสุขจากการที่บีบแผลได้แกะสะเก็ดแผลแล้วมันมีความสุขมันคันไงแล้วมันหายคันแต่ในส่วนจริงก็คือมันระเบอมีอสัตว์โลกก็ไม่เข้าใจ ลองคิดดูที่ว่าผู้พระเจ้าถึงบอกว่าตอนที่เป็นพระราชามากษัตริย์มีนางสนมสี่หมื่นนางสนมสี่หมื่นคือเตาไฟของราัฐาแล้วก็ยังบอกว่าเท้าส ก, กา่ามีสามโกดขึ้นนั่นแหละเตาเตาไฟของเท้าส ก, กา่าเพราะโลกกำเริบหนัก นนคนทนี่จะต้องอาศัยกลุ่มบุคคลบำเรอมากๆวัตถุบำเรอมากๆสิ่งอำนวยไปความสุขวกบำเรอความสุขทั้งเนื้อหนังมากๆไม่ให้มันจะต้องดูของงามๆจะต้องฟังเสียงดีๆมันจะต้องดมกลิ่นหอมๆจะต้องกินอะไรอร่อยๆจะต้องสัมผัสอะไรนิ่มๆแล้วก็หมกมุ่นติดนั่นอยู่ความสุขแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็คือคนแสวงหาเตาไฟเพื่อมาย่าง พราะมันไม่มันไม่พอต่อความความสุขตัวเองมันทุกข์มากทุกข์มากก็ต้องหาเตาเยอะๆทุกที่มันเกิดขึ้นจากหนองมันเกิดขึ้นจากแผลที่มันติดทั่วสารีร้างไปแล้วนี่นะก็เลยต้องใช้เตาปริมาณมากในการที่จะย่างก็จะให้แผลนั้นมันแห้งแล้วแห้งเสร็จก็เกาสะเก็ดตรงนั้นมันได้ความสุขจากการเกาตรงนั้นแนะเข้าใจั้มเนี่ยวัตถุกลางเป็นแบบนี้เมื่อเช้าไปเกากันมา่อ่ยัง กินนะแมะกินบ้างทมตรงนุ้นบ้างนะทามให้มีความสุขอ่ะแต่ละวันแต่ละวัน น, นี่ไงคือสุวัถุ ก, กรรนี่แหละสรุปแล้วพระเจ้าบอกว่าจัดทั้งหลายที่ยังมีกิเลสคือคนเป็นโลกเรื้อนแต่ถ้าใครขจัดจ ก, กิเลสออกหมดแล้วแปลว่าโลกเรื้อนหายแล้ว ถามว่าท่านเราไปเจอหน้าใครแล้วบอกอ่ะดูก่อนท่านผู้เป็นโลกเรือนทั้งหลายนี้ก็จะโกรธเราไหมโกรธเลยเพราะเขาไม่รู้ข้อมูลใช่ไหมแต่ถ้าเราศึกษาคองสอนเราจะรู้ว่าอ๋อเราคือโลกผู้เป็นโรคเร้อนนั้นในารอภิปายสาทยายทำกันอยู่แล้วก็บอกว่าหนึ่งเป็นโลกเรือนสอง 2. ติดอ่างเหมือนอนีา่มาเวลาสวดเนี่ยโอ้โหอยู่นะสวดพระธรรมของพระเจ้าที่สวดมิสครูเนี่ย เต่้อวดบอกว่าขนาดสวดดูเหมือนก็อ่านมาปางก็น่าจะดูดีหน่อยนี่นะแต่คือรเรือนสวดคนติดอ่านตัวน้สืสวดบอกว่าอเกชาทิสังสารังสันดาวิสังอนิพิสังคาหการังคเวสันโตดุขาชาติพุนาปุณณ ข้าหักการกติโทสีปุนัคิหังนากาสีสัพภาเตพาสุกาบคาขหากูตั้งวิสังคตังวิสังคารกตังจิตตังตัณหานังชยมัจฉาเนี่ยนี่คนโรคเลือดสัวคือคนยู่มีกิริ กล่าวพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโลกเรือนแล้วอกัอกข่าแล้วพยาญชนะก็ไม่ไม่ไม่ถึงเหมือนพระพุทธเจ้ากล่าวนี่ก็เรียกคนติดอ่างลิ้นไก่สั้นก็หาวพระธรรอย่างนี้นะ่ะจะได้มองเหน็นว่าโอ้โหทั้งผู้กล่าวทั้งผู้ฟังเนี่ยใช่ไหมเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาความเกิด ชรามรนีนะคือความแก่ใช่ไหมแล้วก็พยาธิแล้วก็ความตายโสกาบบริเตว่าทุกขโทมนะเจ้าปายโดยความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นผู้ถุกความทุกอย่างลงแล้วอย่างลงในขันแล้วเนี่ยพอขันเกิดปุ๊บเนี่ยความทุกอย่างลงแล้วใช่ไหมเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้ว ก็หมายความว่าขันท่าอียตนะมันไม่ดับมันจะไปเรื่อยๆเนี่ยทําเช่ไหนจะทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ได้ทํายังไงจะไม่ให้วัดตานี้มันเดินเพะยังไงทำยังไงจะไม่ให้ชาติทุกชราทุกโมรณาทุกเนี่ยไม่ความโศก ค, ความลาไรลําพันเนี่ยมันมันไม่เดินต่อทํำยังไงเย้ไหมจากทาในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ตามสติกำลังเนี่ยตรงเนี้ยไปแกนี่เสียเลยยังไงยถาสติยถาพลังเน่ตามสมควรเนี่ยเขาให้ปฏิบัติตามสมควรแก่โลกุตระทำไม่ใช่ตามสติกำลังของเราถ้าเรีนสติกำลังของเราบ่มที่ไหแล้วไม่น้องที่จะบ่มอะไรเลยใช่ไหมค่อยเป็นค่อยไป ย, ปยถาสติยถาพลังมันน่าติกับโลท่าวะ ทำไเคยเสด็ตรงนี้ไปแล้วบอกว่าค่อยเลน่อไปเนี่ยเนี่ยค่อยเลอไปเขาให้เนี่ยเวลาติดนั่งพาเขาเสด็แต่ก่อนก็คิดว่นนี้ก่อนวี้เขาเข้าใจกันนะพอไปนั่งถามเลยแต่ละคนโอ๊ยนี่ไงทาไปตามสติกำหนดกันนี่ไงบทส่วนเขาอยากถ่ายเขาบอกไงปฏิพัติธรรมตามท้องควรแก่โลกุตตระธรรมเอาโลกุตตระธรรมตั้งมาเดินให้ถึง น่าจะตามกําลังน่าจะตามสมควรอย่าถารหังเนี่ยนะตามสมวรเนี่ยตามสมควรแก่โลกุต ร, รธรรมเอาทําน้อยเนี่ยคล้อยตามทําใหญ่ไปตอนนี้เ น, นทําด้น้อยอยู่ไหมสติก็ยังน้อยอยู่ไหมสมาชัญยาก็ยังน้อยอยู่ไหมความเพียรก็ยังน้อยคล้อยนู่นน่ะถึงโลกุตต ร, รธรรมเนเพิ่มกัาไหเพิ่มศรัทธาสติวิรยิยะสติสมาธิปัญญาปัญญานี่ยเพิ่มมาวันวันมันไปนั่งมันเพิ่มขึ้นมาไหมแค่วันนี้ไปได้เพิ่มขึ้นมาก็ได มันซักภายนอกซักภายนอกจําเป็นนะจำเป็นอยู่แต่ซักภายในสำคัญกว่าไปพิจารณาเนี่ซักภายนอกมันไม่ไม่กาดทุนใช่ไหมดูซักภายในด้วยทุกครั้งที่คิดถึงซักภายนอกให้น้องเึมือนซักภายในจทําะไรสิถ้าคิดถึงซักภายนอกคือคิดถึงอริยซักหรือศรัทธาเป็นต้นแล้วมันเพิ่มขึ้นไหมอันนี้โอ้แล้วอะไรเสียหายระหว่างซักภายนอกลดการซักภายในว่าอะไรต้องรีบเร่งก่อน ไม่ได้ตอนนี้ยอมรับสื่อซับเรื่อมอายใหญ่หรือมากกว่ารายรับแล้วไปเอาซับภายในใช่ไหมเพราะซับภายในเนี่ยจะเป็นที่พึ่งเงินซับภายนอกเงิยเป็นที่พึ่งพบนี้แต่ซั์ภายในเนี่ยเป็นที่พึ่งทั้งพบนี้และพบหน้าตลอดถึงนู่นแหละเข้าถึงพบอย่างยิ่งเป็นต้นด้วยก็ไปนั่งตรวจสอบพิจารณาทีตรงนเนี้ยนะบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า มันดอธิบายสูตรไหนเลยที่นีเชื่อมโยงสูตรไม่ถูกเนี่เป็นเพื่ออธิบายเรื่องนี้ก็ไปไอว่าเมื่อกี้บอกเราเที่ยวค้นหาตัณหาที่เป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพเมื่อไม่พบตรงนี้ท่านไม่บอกว่าเมื่อไม่พบตรงเนี้ยเมื่อไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อไม่พบปัจเจกโพธิญาณเมื่อไม่พบสาวกสาวโพธิญาณใช่ไหมถ้าอยพางโพธิญาณเนี่ยต้องค้นหาด้วยตนเองนี่ ไม่ธรรมดาในปัญหาเรื่อ น, าน้ก็พระเจดก็ได้ไดอย่างเราเนี่ยตามง่ายตรงที่ว่าตามหูแสนจะสะดวกคิดดูดีว่านิพานก็มีใช่ไหมทางก็มีอยู่ที่จะไปพระนิพานผู้บอกทางก็มีอ่ะเอาที่มียุคไหนจะประเสริฐขนาดเนี้ย ต่อไป น, ะนี่พานมีกะทางมีแต่คู่บอกทางจะไม่มีอะ่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมเอาตอนเนี้ยผู้บอกทางมีอยู่คือเราคือสถาคดไม่ใช่ธรรมะคือวิญญามีอยู่แล้วมาทำมีอยู่ไม่เป็นตัวบอกทางอะ่ะที่บอกว่าส่วนใดซึ่งเป็นตัวโลกรุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกรุตระเห็นไหมราศาสดานะเป็นส่วนแห่งการชี้แนว แลกแนะคือพระปริยติธรรมมีอยู่ปริยัติธรรมเนี่ยคือเพื่อภาษาสดาพราองค์เชี้อะไรชี้ท์ธมบรเทาทุกเงี้ชียสุขเกษมสารชียร์ธรรมบรรณาริพานนพนสนศวิโยคภัยกระเดื่อได้ไหมล่ะนี่แหละพระเจ้าเนี่ยคือภาษาสดาคือพระปริยัตินี่แหละท่านเชียรนี่เราไม่ก็เดินตามท่านเงี้ยตรงนี้พระธรรชี้นี่เราก็จะไปตามใครกันไมรู้เขาใจไห้อย่ามาเรื่องเขาใจไหม พระเจ้าชี้ให he <laughs> oh, right? ้เดินทางนี้เราก็จะเดินออกนอกทางอยู่เรื่อยเลยเนี่ยทไมึงขนาดนะบอกถึงใช่ไหมสมัยก่อนอาวมาโยอาญากอโวมา้วยแต่ก่อนวิ่งทางคนอื่นอดวิ่วิ่งวิ่ว่เราก็ไม่มีไม่มีธรรมะวิจัยแท้มีแต่นั่นแหละทิ่ฐิถาเป็นธรรมวิจัยสมาธิทิ่ิไม่เป็นธรรมะวิจัยแล้ว นี่มิาาจายิ่งิดตามโอ้นี่ถูกใจไปไปไ ป, ไ, ปไม่ได้ตรวจสอบแล้วไหนผิดไห น, ไหนถูกคิดว่าท่านบนนี้บอกมาเชื่อบนนี้นะไปเลยนเดีเยวนี้ทีนี้ตรงเนี้ถึงบอกว่าเมื่อไม่พบโพธิญานเนี่ยจึงต้องท่องเที่ยวไปโอ้โหเพราะใช้ศัพท์ว่าท่องเที่ยวเนี่ยไม่น่าเดินทางไหมว่าไปเที่ยวกันเถอะชื่อยาแม่คเนี้ย อ่าว่าไปเที่ยวกันเดือนที่ชื่นใจไหมขันธาตุอายตนะอันนี้นะอันต่างในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่องเที่ยวไปมาหมดแล้วไม่ได้ไปอยู่คือสุดทธาว่าจะกลุ่านั้นนอกนั้นไปมาหมดทุกผมแล้วยังอยากจะไปกันอีกเลยเนี่ยใช่ไนหะใน อวิหาอตาป า, า, าสุทัสสาสุทัสีอกคนิฐานห้าภูมิไม่เคยไปในสามสิบเอ็ดนี่นะนอกนั้นไปมาหมดแล้วอยากจะไปสุทาวาสไหมนะถ้าอยากจะไปสุทาวาสเนะี่ยเขามีข้อแม้ทำโสดาปริมาสกัฏ า, าคายมักเป็นพผ้านาคาถ้าไม่ได้เป็นผ้านาคาเขาไม่เข้าไปในในภูมิเหล่านี้เลย อ, อย่างงี้นะมันมีมีมมีมมมมีเงื่อนไขแค่นั้นแหละนอกกนั้นไปได้มาหมด สรุปแล้วถ้ามีใครชวนไปเที่ยวเราก็ต้องถางมเขาเลยใช่ไหมเนี <c oughs> <พ>่ยมาเ พ, พบอกว่าเนี่ยเขาบอกไปตรงนวดตรงนี้ไหมแล้วบอกเราไปมาแล้วหลายรอบแล้วเบื่อแล้วแต่ถ้าจะไปพ่อพุทธเจ้าไปจิจากบ้านสูบ้านใช่ไมอย่างนี้ไป แต่ถ้าชวนไปเที่ยวบอกไปมาหลายรอบแล้วบางทีมันไม่ใช่ไปธรรมดาไปอยู่ซะจนเบื่อ ด, ด้วยแต่เพราะมันทัดถมมายาวนานมันก็ลืมนัม่นจะไม่ขอไปที่ไหนแล้วถ้ามีพระเจ้าอยู่ที่ไหนถึงจะไปเนี่ยเอานี้ได้ไหมตั้งกฏิกาเนี้ยต่อไปใครชวนไปดูทะเลบอกไม่ไปแล้วไปเกิดในทะเลมาอย่างยาวนานนครับพอไปดูเขาที่บอกมันเกิดอยู่ในภูเขา เป็นไก่ป่าเป็นโปภูเขาเป็นเสือสิงเสือสัตว์ในภูเขามาอย่างยาวนานแล้วเมื่ออยากไปเที่ยวดูอีกแล้วมันจะไปสร้างปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีพระเจ้าอยู่ตรงนั้นขพระเจ้าจะไปเอานี้ได้ไหมตั้งนาิกาดีใจยอย่างนี้นะเวลาเกลิ้งมาบอกไปเที่ยวไหมเออไม่ได้ไปมานานแล้วใช่ไหมมันเหนื่อยมันเหลือชั้นที่เหลือนี่จะใช้ธนูถนองเอาไว้เพื่อจะบูชาพระเจ้ า, รจาตรงนั้น เหลือเวลาเห็นการบูชาคุณพระเจ้าน้อยเต็มทนแล้วยังไม่ไหวอยู่แล้วหลับไปมันไม่รู้จะตื่นในวงขึ้นบูลืมตาตื่นมาบูชาพระเจ้าหรือไม่นเนี่ยมันคิดตรงเนี้ยตั้งกติกาในใจอย่างนี้เขาไว้แรงแๆมันจะได้ไม่เพลินด้วยอะไรยะมรามานเนี่ยยินดีแล้วด้วยอะไรหรือว่ายินดีในอะไรอริยรตาเนี่ยหรือคำว่าอาริยะสมุทิตาเนี่ยนะก็หมายความเบิก บ, บานเนี่ยมันจะได้ไม่เบิก บ, บาน เขาชวนบยังเบิกบานแล้วก็บอกรู้เลยนี่ตัหานี่เอาแล้วใช่ไหอ้ไปดูเขาจุดบังไฟสวยยงเี้ยนะไม่เอาแล้วไปดูที่เนี่ยเามีการแสดงตรงนั้นน่ยไม่เอาเลยเนี่ยตรงเนี้ยจะไปมุตาอะไรกับเขาใช่มมันเป็นตัหาโอ้โหเขาลํางามจริงๆเนี่ยนะไม่เอาแล้วถ้าเขาลําถวายพระเจ้าเราก็จะอยากอยาลถวายด้วยจะเอาไหเอาล้ำเป็นบุญนี่เอาั ถ้าตั้งกติกาในใจอย่างนี้กชัดใช่้หมก็เหมือนนั่งรถไฟผ่านผ่านเองเี้ยนนี่ไอคนที่มารักเป็นคนขับรถคนรู้แล้ ว, ลวก็บอกบอกอนะบอกเขาบอกแม่เขาบอกบอกเา เออไม่เอไม่ไม่ต้องไม่้งไลกไม่หลอไมเอาไม่เอาผไเออไปตาเออไปนลาคือคือเขาก็อยากถามพระว่าคิดยังไงเนี้ยเวลาพระไปเห็นคนเขาแต่งตัวเห็นเขาเรียก็ถามก็ถามท่านอาจารย์เวามาในกรุงเทพเนี่ยเห็นกลุ่มใบรุ่นก็แต่งตัวแลวท่านคิดยังไง S <S <an> ก็เลยมองหน้าอย่างตี้ามจะให้จะให้คิดอย่างไาคิดที่ตาใช่ไหมตาก็เป็นที่ไหลออกของคี้ตายังมากมายวันๆหนึน่งในตาก้อนหนงมันก็ผลิตน้ำตาผลิตคีตาออกอย่งยางเยอะๆไปหมดนั่นในตานั้นก็เป็นของไม่งานทมีเส้นใหญต่างๆโยงลยายเต็ไมไปหมดนี่ตาของคนเรานี่ก็ประมาณจะเท่าไกา่ เนตานั้นตัวข้างในเป็นจากครูประสาทและนอกนั้นเป็นสะสะารประละกับจับสุขรวมกันเป็นก้อนตามขึ้นมาก้อนนึงเป็นที่ตั้งของโรคอย่างมากมายโรกต้อโลกต่อกระจกต่อเนมมื้่างๆมเป็นที่ตั้งของความไม่เงที่หูก็ผลิตออกมาซึ่งอะไรมีที่หูไหลออกอย่างแต่ละวันแต่ละวันที่จมูกก็มีน้ำโมกไหลใช่ยยไหมปากก็มีเสลยและน้ำลายทวันหนักทวาร เ, เบาก็เป็นที่ไหลออกของอุจธิราและปัสสาวะ ตามลําตัวทั้งหลายก็เต็มไปด้วยเหนื้อไข่ไหลข้างในก็ผลิตของที่ไม่สะอาดมีปอดมีไตมีไส้มีระไรต่างๆละยงละใหญ่นะมีทั้งดีเศรษฐนองเลือดเหมือนน้ำมันคนนั้นแตนี่ไงปลาคิดคินั่นเป็นพี่ตั้งของบลาไม่มาเขาก็เลยมองออท่านาเขาคิดแบบนี้เรคิดแบบนี้เพราะถ้าไม่คิดอย่างนี้เราก็จะไปยินดีไปเพลิดเพลจริงนั้นใช่ไหมก็เลยบอกเขาครับ เอ๋ผมไม่รู้เลยว่าพระท่านคิดอย่างนี้ผมไม่เคยคิดอย่างงี้เลยบอกเขาเขคิดยังงี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือเป็นที่ตั้งของความไม่ตาแล้วมันเที่ยงไหมว่าจริงๆเนี่ยที่เขาจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็เสียกขจุนดิ้นรนต่างๆเหมือนเนี่ยถามว่าเขาดิ้นรนเขาไม่เห็นในยศาสตร์กันงนั้นวันๆเนีาก็เพลินเพลินเพินไปแต่ละวันเนี่ยใจที่มันเป็นใปกับความคิดอย่างนั้นถามเป็นใบกับบุญหรือเปล่า ถามว่าเป็นไปกับบาปเมื่อเป็นไปกับบาปบาปนั้นส่งผลอะรส่งผลเบียดเบียนไปบุยเบียนเขาเองเขารู้ไหมว่าเขาเบียดเบียนตนดีแล้วรู้ไหมเขาทาอย่างนั้นทำให้ผู้อื่นเกิดราคะโทสะแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นอย่างไรทีนั้นการที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อบียดเบียนตนก็มีรู้เบียดเบียนคนอื่นก็มีรู้เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเขไม่รู้แล้วถามว่าพบหน้าก็ควรจะไปไหนเนาะอบายทุกขติวิธีบัตินั้นเลยถามว่าหน้ากรุณูนาลีหน้ายินดี มันน่ายินดีเนะี่ยเขาเป็นสัตว์อบายถ้พูดอย่างนี้ก็โกรธแต่เราตึกในใจว่า น, นี่คื อ, อบายนะสัตว์ที่เขาจะต้องลงเสืออบายภูมิซึ่งเราก็เคยคิดแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้วเคยทํามาอย่างนี้อย่างยาวนานแล้วถามว่าเห็นอย่างนี้เราควรจะยินดีกับเขาหรือควรจะมุทิตากับเขาไหมหรือควรจะตั้งกรุณาหรือควรจะอุเบกขาหรือควรจะเมตตาล้วก็ค่ายรวมดูวัตถุชิ้นนี้เราควรจะเจริญอะไรที่มันเป็นที่ตั้งอย่างไร แต่เโอ้โหท่า น, นคิดอย่างนี้คิดแบบนี้คิดมานานนี้ยังนานแล้วคิดมานานี่คือคือก็ต้องพยายามไขตันนั่นคือของจริงใช่ไหมนั่นคือของจริงทีนี้ถ้านไปคิดอย่างนี้ถามว่าชีวิตมันจะออกได้ยังไงใช่ไหมมันต้องตรึกมันต้องไขทวนมันต้องวิจัยอย่างนี้มันต้องวิจัยแบบนี้แค่นั้นตรงนี้ตรงวอร์สัตว์ทั้งหลายเนะี่ยย่อมยินดี เบิกบานไม่ไม่เบื่อในการอยู่ในขันทานา่าไรยะตนะไม่เบื่อในการที่จะอยู่กับตาของจมูกลิ้นแก่ใจไม่เบื่อน ะ, เ, อะเขาเย็บเขายินดีเขาจะเพลิดเพลินในการมีตาของจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมขันท่าไรยะตนะที่มันเกิดขึ้นสืบต่อไปเนี่ยเขาไม่เบื่อตัวนี้เลยแปลว่าไม่เบื่อสังสารวัฏด้วยอะไรคือกามแล้วก็อะไรก็คือความยินดีตัณหาทั้งหลายดังที่ได้กล่าวฉะนั้นเดียนั้นน่ะพระบรมศาสดาจึงบอกเมื่อสแสดง ทรงแสดงอะไรทั้งสองอย่างอะไรคือที่เป็นตัวตันหาคืออะไรที่เป็นตัววัตถุเนี่ยนะแล้วก็เลยบอกราวกับว่าพระราชานั่นเองที่เสด็จพระราชอุทยานต่างๆเหล่านั้นนะทีนี้ประการต่อมาคําว่ายะทีทางนะเป็นนิบาศหมายถึงฐานนะของคําว่ายะทีทางเป็นต้นหมายของยังเนี่ยยังอีทันติปฏิจจะสมุปปาทางเป็นต้น ท่านบอกโยอายังเป็นต้นความเป็นปัจจัยแห่งธรรมซึ่งมีสังขารเป็นต้นเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยอิทัพปะเยตาเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทโพเป็นต้นนะปัจจัยธรรมแห่งธรรมมีสังขารเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าอิทัพปะเยตาอิทัพปะเยานี่นหมายความว่าอิทัพปัจจยตาอิทัพปะเยตาเป็นต้นเนี่ยปฏิจจสมุปันในสู่เป็นต้นเหล่านี้นะหมายความบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยสายปัจจัยเกิดขึ้น เช่นสังขารเกิดขึ้นโดยสายวิชาในสัตว์ไม่ทราบชรากับมรณะความแก่และความตายเป็นต้นอาศัยชาติเกิดขึ้นสัตว์ก็ไม่รู้ชาติอาศัยกรรมมาภาวะเกิดขึ้นสัตว์ก็ไม่ราบใช่ไหมภาวะนี่อาศัยอุปาทานเกิดขึ้นยังไงสัตว์ก็ไม่รู้อุปาทานนั้นอาศัยตัญหาเกิดขึ้นตัณหาสายเวทนาเกิดขึ้นนี่นะเวทนาสายภาษาภาษาสายอายตนะอายตนะสายนามรูป นามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณอาศัยสังขารสังขารอาศัยอวิชชาเป็นต้นเกิดขึ้นเป็นไปอยู่สัตมืดบอดในปัจจัยการเหล่านี้ฉะนั้นความเป็นปัจจัยแห่งธรรมมีสังขารเป็นต้นเป็นธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคำนี้เป็นชื่อของธรรมที่เป็นปัจจัยมีสังขารเป็นต้นคาทั้งหมดน่ะธรรมที่เป็นที่ระงับระงับสังขารเขาเรียกว่าสัพพะสังขาระสมะโถสมถฐานแปลว่าระงับสังขาร ทำอะไรนาะที่จะเป็นธรรมที่สามารถระ ง, งับสังขารได้คือพระนิพพานไงสัตว์ไม่รู้พระนิพพานว่าเป็นธรรมที่ระ ง, งับความกำเริบไอสังขารนี่มันกำเริบอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยเอากำเริบไหมล้วหยุดตัวมันได้ไหมเราไม่สามารถจะหยุดสังขารได้เลยใช่ไหมเขาเรียกเป็นโลกที่กำเริบหนะ่ะยาที่จะสามารถระ ง, งับความกำเริบเก่าคือความเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องพระนิพพานเท่านั้นะ มีโอสดโอสดนี้อย่างเดียวเรื่อยนะที่พระเจ้าคนเจอแล้วพระเจ้าก่อนๆ ก, ก็คนเยอะและทางที่จะไปรักษายาไปก้าหาถึงยาเนะี่ยก็มีอยู่ใช่ไหมคือคือมักเนี่ยเ น, นะนะี่ยก็มาพิจรารณาดูอโอพานีพานนี่เองเป็นธรรมที่สงบไหมบกษัต ร, รษ์โลกนั้นเนี่ยอาศัยธานีพานานั้นก็ย่อมจะดับความดิ้นดิ้นลนเหงิงสังขารก็ส ง, งบนะครับไนดะ้ตอนเนี้ย สังขารมันดิ้นอยู่นะมันดิ้นรนกระเสือกสนกันอยู่นะตอนเนี้เอาดิ้นไหยความเกิดเบียดเบียนความแก่เบียดเบียนความตายเบียดเบียนโรคเบียดเบียนความโศกเบียดเบียนใช่ไหมความร่ำไรลำพันเบียดเบียนกระแสของขันของสัตว์โลกอิจตระเลยเวลาเนี่ยมันก็ดิ้นรนนี่มันเหมือนว่าเอาเอาสัตว์ไปไปไปมัดเขาไว้แล้วเอาไฟผูกอะเอาไฟมาเกาะกีกากออมเผาไหม้มันเน่ยมันดิ้นไหมนะมันก็ดิ้นดิ้นดิ้นมันอยู่นะ มันก็วิ่งไปจุดนั้นเอาไฟก็ตามไปอยูก็วิ่งวนอยู่นั่นแหละเอาวนวนให้ไอ้ที่สายเขามัดอยู่กับเชือกอะเชือกนี่มันก็มัดอยู่กับตอเนี่ยไอ้ตอเนี่มันก็แปลว่าไงตอเนี้ก็เนี่ยมันหมุนเนี่ยมันก็วิ่งเอาก่อไฟตามไปที่ไฟยนใส่มันร้อนร้อนก็วิ่งหนีไปมันก็ร้องทุกทุกมันร้องไปแล้วมันจะหนีมันหนีไม่ได้ไอ้เชือกก็ผูกมันไว้อยู่นั่นแหละเชือกผูกไว้ในภพสามเนในการพบรูพบรูพบผูกไว้ กวิงวนไป ม, มันก็เสียกระส่นมันมันดิ้งมันหาทางสงบระงับไม่ได้แล้วตัดเชื่อกก็ไม่ได้ดับไปก็ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่าอาศัยพระนิพพา น, นจึงจะสา ม, มารถสละอุเบกขิจได้เพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สงบระงับและเป็นธรรมที่สิ้นจากตัณหาใช่ไหมสํารอดสํารอดกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้ถ้าสํารอกิเลส ไม่ได้เนี่ยชาติทุกข์ดับไม่ได้ถ้าสำรอกกิเลสคือราคะโทสะโมหะได้เนี่ยก็ดับชาติทุกข์ชราทุกข์เป็นต้นนะนี่ไม่กิเลสที่มันเกิดในใจนี่มันสำรอกไม่ได้ยามารีเขาใจกขาเป็นสำรอกไหมสำรอกเคยกินอาหารอะแล้ว อ, อ้วกไหมนั่นแหละต้องสำรอกกิเลสออกมาอย่างนั้เลยแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้ น, น, นกิเลสคือราคะโทสะโมหะ ไปอ้วกสักร้อยครั้งน่มันออกไหมมันไม่ใช่รูปแนละ้วจีมันติดแน่นอยู่ในใความคิดเนี่ยต้องสำลอกความคิดที่มันเป็นกิเลสทิ้งนะี่สำร อ, อกออกมาท่านใช้สอบดีนยะให้สำรอกสอบปณิสักคะอวกออกมานะ บนนางทไีไปนั่งอ้วกโอ้วกอะไรได้กินอะไรผิดเข้าไปนี่เหม่ยทำไมกินเล็ไม่หลุดออกมาบ้างเนาะใช่หมถ้าหลุดออกมาสบายเลยเนาะใครสําลอกได้ก็เชิญมาบอกเร็วๆทุกทั้งหมดก็ดับไปนะชาติที่ทุกท่านจึงเรียกว่าสละ อ, อุปธิอุปธิมีอะไรบ้างขันก็เป็นอุปธิพระรูปเยชนาสัญญาทังขานอายยชนนาก็เป็นเหมือนอุปธิทั้งหมดเลยนะท่าทั้งสาเป็นอุปธิสังขารสังขา ร, ขารอุปธิ อันนี้เป็นอุปที่นะเจตนกรรมทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเป็นอุปที่เลยแ ล, แล้วก็อะไรกันนะตัวกรรมนั่นแหละก็ถูกแล้วเพราะกรมมาคุณนทั้งหลายกามูุปที่นพวกพวกตีเลสการพวกพวกัตถุกรรมทั้งหลายเนี่เป็นอุปที่เนี่ยพวกพวกพวอุปที่ต่างๆเรานี้จะต้องสํารอกเพื่อเป็นเครื่องสละใช่เป็นที่สิ้นไปัญหาเป็นที่สํารอกพบได้ด้วย เป็นที่ดัตัณหาเนเรียกว่าวานานาเนี่ยเพราะร้อยรัดเย็ยบพบไว้กับพบแล้วก็เย็ยบกมไว้กับผลของกำเคยเย็ยบผ้าไหมนะเป็นนักเย็ยบผ้ากันเยียน่นนั่นั่งกันอยู่นี่เพืมีใครไม่เคยเย็ยบผ้าเนี่ยนะใช่ไหมจ้ไอตัวเย็ยบผนะ้าเนี่ยมันเหมือนตัณหาไอผ้าแต่และจริงๆรเน่ยถ้าหากว่าเส้นได้เนะียเส้นได้จริงจริงมันเป็นไฟ้เนะีย แล้วก็มาร้อยใส่กันนะเรียงกกยป้าผ้าได้ใช่ไหมนี่มัมนร้อยติดกันเว้ยเขเย็บติดกันเขาวะทีนี้เวลาตัดใช่ไหมแล้วเราก็ไปเย็บติดกันอีกใช่ไหมถ้ามีจั๊กมีเข็มมีได้เนี่ยก็มาเย็บให้มันติดกันนะได้ตัวตั้หาเนี่ยมันตัวร้อยตัวเย็บเช่นระหว่างกามะพบ ก, กับกามะพบเนี่ยมนุษย์ต่อมนุษย์ก็ดีมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์กับเปรตมนุษย์กับสุรากายมนุษย์กับอเบเยฟูงเนี้ย อบายภูมต่อภูมทั้งหลายเนี่ยมันมันร้อยเย็บติดกันอย่างนี้ก็แล้วระหว่างพบต่อพบมันไม่ขาดมันไม่หลุดออกจากกันได้เลยและระหว่างกรรมกับผลของกรรมเห็นไหมเขาบอกว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งหายมียาณคือกายกระจายตามหูจมูกเป็นการยใจของเราอันนี้เป็นอะไรเป็นขันห้าไอขันห้าตรงเนี้ยมันถูกกรรมในอดีตเนี่ยใช่ไหมกรรมในอดีตเนี่ยเป็นตัวให้ให้ผลเนี่ยนะ แล้วตอนนี้มันให้อยู่ตลอดเวลา น, นเนี่ยกรรมเนี่ยเราไม่รู้กันหรอกที่นี่มันให้ได้นั้นเพราะมีปัญหาตัวเชื่อมตัวร้อยเข้าไว้ตัวเย็บเขาไว้ใช่ไหมจะบอกว่าเลียงจเยเลกันแล้วนา ะ, ะนเรียนี่ยังอุ ป, ปาทินานะนุ ป, ปาทานยาาียธรรมะใชสภ า, าวธรรมทั้งหลายที่กรรมอันตันหาและทิฏฐิเข้าไปติดยึดไว้ด้วยวามเป็นผลเนี่ยไดเป็นอารมณ์ของวาธานมีอยู่อะนั่นแหละนั่นแหละ ก็หมายความว่านีง่ไงทันห้านี้แหละกรรมอันตัญหาเลยทิถีเข้ามาติดยึดไว้แต่ว่าเป็นผลของเขาหมายความบอกว่าเขาบวกกรรมในอดีตเขาให้มาเบเ็ดเสร็จแล้วเขาก็ยึดเข้าไว้เลยเป็นผลของเขาแล้วเขาก็จะคอยส่งให้ตลอดเลยเอาสิเมื่อเขาเป็นผลของเขาเนี่ยเขาก็คอยส่งให้เห็นดีเห็นไม่ดีได้กลิ่นดีริ้มรลดไม่ดีสัมผัสไม่ดีแล้วเห็นไม่ดีอะไรอย่างอื่นอะไรเขาให้ตลอดตอนเนี้ยตอนนี้เขาผลิตมาให้ตลอดแล้วเนี่ย ความสุขและความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยกรรมเป็นผู้ให้ตัณหาเป็นผู้ร้อยเข้า่ปนี่ฮะนี่แหละผลของเราให้เลยให้ให้เต็มที่เอาเอาโรคไปเอ้าไตมันมีมากกไปตัดไตมันเนี่ยง่าอย่างเงี้ยนะทำไตมันยืบัตรไปเสียใช่ไหมนี่มันผลของเราเนี่ยมันก็โผล่ผลิตถูกโป๊ะโป๊ะโป๊เต็มนั่นอยไปเปิดเครื่องโทรศัพท์บ่อยกรรมมันรู้ทิฐิธร เหมือนตัวซิมเลยนะใช่ไหมเมือนซิมการ์ดทั้งหลายอย่างนี้ที่เสียบมในเสียบในกระแสขันเสียบปากในสมองซะแล้วต้องทำไงดีใชได้อกุสรกรรมมันไม่เอาอกุศลมาคุมไว้เหมือนเหมือนสร้างสร้างอะไรดีล่ะสร้างแผ่นเล็กที่ไม่สามารถที่จะอกุศรมันมันส่งมันหาเจอเพราะเรายังถอดไอถอดซิมมันไม่ได้ใช่ไหมมันถอดกิเลสในใจไม่ได้มต้องใช้พีมระดับอรเียมากเลย เข้าไปขีบแล้วถอยแล้วน้าโกงจริงไอ้ตอนนี้มันฝังแน่นจริงไม่กีเดือเนี่ยไม่มีคีมก็เพื่ออาริยมรดิเข้าไปคีบแล้วก็ดึงออกดึงออกได้กำลัลงที่หลงทางเลยตรงนี้หาไม่เจอหาไม่เจอตอนนี้มันปุ๊บเจอม่เจอเมาอะไรเนี่ยมันเหมือนตาเทียมอยู่ข้างบนเหมือนอย่างนั้นนะนี้ออกมาเนี่ยนี่มันก็ส่งให้โอ้โหมันรักกันชัดเจนเลยตอนนี้ เขาจะไปตรงไหนเดี๋ยวนี้ยเอาวิ่งไปหรืขับรถหนีหนีได้ไหมล่ะเขาเย็ดไปหมดแล้วก็พื้นที่ในโลกสามเนี่ยหนีไม่เมไม่ใช่ที่ปลอดภัยเลยไม่ใช่ที่ปลอดภายเลมองเห็นได้ยังเดี๋ยวนี้ยนั้นในขณะที่ขับรถไปเนี่ยมันจ้องเราตลอดมันเริ่มแล้วทำไมชนกกรรมมันให้มาแล้วแต่เด๋ยวมันจะให้ใหม่นดี๋จะแต่งเกิดทันทีนะเผอปป๊บเดียวมันจะทําให้เกิดใหม่มันจะได้อัตภาพใหม่ทันที โอปถามมันก็ให้อยู่โอปปีรักกรรมเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนอยู่โอปฆาตกรรมมันจ้องตลอดเวลามันเอาสิเอาสิเนี่ยกำลังเดินเดินไปเนี่ยมันจะเล่นปุบให้ให้มรณะเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจั้มเนี่ยงั้นกรรมอันตันหาได้ติดเขาไปติดยึดไว้แล้วเขเป็นผลของเขาเนี่ยเดี๋ยวตามเล่นกันนด้เพรามีตันหาเชื่อมอยู่เขาใหญ่ให่กจะได้กลัวภัยกันจริงๆมันจ้องขนาดนั้นเลยนะที่แล้วโคตรโคตรอย่างนี้กลัวกันมาเลยเนี่ย เฉยๆท่านไม่เห็นมันจ้องมันจริงๆลองลองลองประโยาค้าวิบัติหน่อยมันให้ผลดันทีหลับตาเดินข้ามถนนแล้วชนแล้ถ้าไม่ชนเดินอีกรอบชนมนเนี่ยรกวประโยาค้าวิบัตเป็นต้นมันให้จนได้เย่ยไม่มีทางให้เราเป็นผู้โชคดีตลอะ เ, เดินไม่ถึงสามรอบสีรอบเนี่ยก็เก็บศกนี่อ่ปการะากรรมมันเกิดากจากความบ่มาจัดประโยาค้าวิบัต ขับรถขับรถไปในเผื่อแป๊กเดียวแค่นะั้นนะตูมจบจุตตีทันทีปฏิสันทีสันทีเหมือนกันมันพร้อมที่จะชนกามพร้อมที่จะให้จ้องตลอดเวลาด้วยมันพร้อมที่จะให้ถึงบอกไงบอกว่านอนไม่เคยคิดเลยว่าจะลุกขึ้นมาได้นะไม่เคยคิดเลยนะว่าจะจะลุกขึ้นมาได้นะเวล า, านอนเนะนี่ยนี่มันสัญญาณเก่ามันมันเตือ น, นเลยนะ มันจะให้ผลนยัเลยนะนี่นมามันจะให้ผลตลอดเวลาเลยนะเสียงที่ได้ยินนั้นคือกรรมเขาให้ผลกรรมเขาให้ผลอ า, าถามว่าเสียงพระธรรมที่ฟังอยู่เนี่ยใช่กุศลกรรมให้ผลไหมนี่กุศลกรรมให้ผลและในขณะที่กุศลกรรมให้ผลอยู่นี่กุศลกรรมก็แทรกเป็นระยะระยะนีม่มาเขี่ยปูดปอบนี่ให้ผลมันดีเลย <laughs> นี่ใช่ต้องดูเจ็เสียงข้างนอกไง เสียงสัตว์ล้องได้ยินเป็นระยะไหมล่ะงั้นเพืออุตุกรรมมันแทรกให้ผลมาเห็นไหมในขณาที่ฟังพระธรรมเนี่ยบางทีมีเสียงรบกวนมีเสียงสัตว์มีเสียงอะบายสัตว์มันรบกวนมันให้ผลอยู่ตลอดเวลาทั้งสุขและทุกข์สัตว์โลกไม่สังเกตนี่เขาเรียกมันให้ผลในประัติการ์เมมันเบียดเบียนน่ะเอาสิมันเบียดเบียนเน่ยทั้งเบียดเบียนนังตาได้เบียดเบียนนังตา ถ้ให้ผลที่ตาได้มันให้ที่ตาถ้าเบียดเบียนทางเสียงได้ทั้งหูได้มันเบียดเบียนหรือให้ผลที่โสตประสาทได้มันก็เล่นโสตประสาทเลยเนี่ยให้ผลทางคนะได้ใช่ไหมคณะทวารได้มันก็ให้กลิ่นมาหรือบางทีมันให้ตัวคณะทวารเลยเบียดเบียนคณะทวารเลยบางทีก็คือชิวหาทวารมันก็ให้หรือไม่งั้ก็เบียดเบียนตัวชิวหาทวารเลยเป็นต้นเลยเนี่ยบางทีกายทวารมันให้ผลไม่สุขเลยทุกบางทีมันก็เบียดเบียนตัวกายประสาทเลยเป็นต้น สรุปแล้วกรมเนี่ยมันให้ผลอยู่ตลอดเวลาแต่ศาสตร์โลกก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ทราบไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาไม่ไตรตรองจบเลยงานนี้แล้วก็อยู่กันอย่างไม่เห็นบุญและบาปไม่เห็นผลบุญและผลบาปทั้งทั้งที่มันให้อยู่ตลอดเวลาไม่มีใครลุกขึ้นมานึกสะเทือนใจแล้วกลัวเลยโอ้โหเนี่ยกรรมมันตันหาและทิถีเข้าไปติดยึดไว้อยู่ามเป็นผลเนี่ยจะเป็นอารมณ์อุบาทานนี้ยังไง อุบาทว์หันผ่นห้านี่แหละตันหามันเข้าไปยึดเว็นผลของมันเพราะมันสร้างร่วมกับกับกรรมในดีดไว้แล้วโมหะก็ปิดมันไปสำคัญว่าเป็นของของมันเรามีตันหาเป็นเพื่อนเนะ่ยตันหาทุติโยปุริโสเราไม่มีศรัทธาเป็นเพื่อนเนะถ้าเรามีขนาดใดเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตันหาเป็นเพื่อนเรามีศรัทธาเป็นเพื่อนสัตว์โลกมันมีสองดัวนี่แหละ มีศรัทธาเป็นเพื่อนหรือตัณหาเป็นเพื่อนเราเอาใครเป็นเพื่อนดีเราบอกว่าอยากเอาศรัทธาใช่ไหมแต่บางครั้งตัณหาเป็นเพื่อนกินอาหารอยู่ศรัทธาในพระเจ้าหรือหรือกําลังเป็นทาตนานั่นตอนนั้นตัณหาเป็นเพื่อนในขณะที่นอนมีความสงบอยู่ตอนนั้นศรัทธาพระเจ้าจึงนอนหรือว่ามีความยินดีพอเพลิดเพลินนั่นนหละมีตัณหาเป็นเพื Now, uh ่อนสัตว claro <fik> ์โลกมีตัณหาเป็นเพื่อนสองแล้วก็ เป็นโรคขาดเพื่อนไม่ได้เข้าใจไหมขาดไม่ได้มีขนาดหนึ่งฟังออกไม่ได้ครั้งว่าโรคขาดเพื่อนไม่ได้เนี่ยเขาเรียกเป็นโรค ว, ว้าวีเป็นกันมาอย่างยาวนานแล้วเราเคยสังเกตไหมธรรมาตันห้าทุดีโยบริโสดีแต่ก่อนเรามาฟังีเฉยอยันนี้เข้าใจแล้วคือเป็นโรค ว, ว้าวีขาดเพื่อนคือตันหาไม่ได้ ถ้าเวลาใดเราไม่มีความยินดีไม่มีความเพลิดเพลินเวลานั้นเราทุกมากเราก็จะสแสวงหาทําอย่างไงเนาะเราอยากจะยินดีเราอยากจะเพลิดเพลิน เ, เราอยากจะมีความสุขเราไม่เคยเอาศรัทธาในตถาคตตาโพธิศรัทธาเป็นเพื่อนสองเราเลยและนานๆจะมาเป็นเพื่อนที่ขนาดฟังมาทํานี้นะมาขอนั่งนะี่มันสบายๆเลยเก็คิดถึงว่าจะเคารพพระพุทธเจ้า สถานขนาดนั้นเลยนะเอาในห้องฟังทำรรอย่างเราเราท่านทั้งหลายไม่ต้องไปข้างนอกข้างนอกไม่ต้องพูดถึงปิดประตูเลยเอะมาใช่ไหมว่าตอบฟ้าลงด้วยอีกห้าสิบดอกโอกาสที่จะแย้มมันก็ไม่เห็นพระเจ้าแทบไม่ต้องพูดถึงแล้วก็นั่งตอก้าลงกันอยู่นั่นแหละไม่มันจะแกะ้าลงออกมาได้ยังไงตอกไปในความคิดเนยะทุกหน่วยความคิดมันตอกตะปูยำ้ยำย้ำย้ำไว้ในว่าตากหมดเอาสิ ทุกความคิดที่เกิดขึ้นมันเคยคิดออกมา น, น, นาออนๆอย่างที่ออกของยีออกเยวตาต้องก็ตอกย้ำปกปอ ก, ก, กเลยเนี่ยตอกวบบางคนก็ตะปูยาวเป็นวาบ้างเป็นเป็นคเนครือบก็มีตอกติดแน่นในวัตต า, าที่แท น, นจัดโรคนี้ตั้หาเป็นเพื่อนสองก็อย่างนะไม่ได้มีศรัทธาเป็นเพื่อน no เวลาจะมีศรัทธาเป็นเพื่อนหร เราจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องวัตถุ ก, กรรมกันเปส่วนแบ่เพลิดเพลินด้วยวัตถุ ก, กรรมไม่มีที่จิตคิดจะออกมาหาพระนิ迦กันสักเท่าไหร่ถ้าจะออกมาแต่ังทีก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องมีท่าทางเยอะคือตัณหาวิจิตมากเ อ, อ่ะโอ้โหต้องต้องไปขอร้องอะ่ะไปอ้อไปขอร้องวัตถุ ก, กรรมนะไปไม่นานเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวมาหาอย่าน้อยใจนะขั้งหัดนั้นเลย เราไม่ลืมคุณหรอกเดคุณเราจะมานอบน้อมคุณบ้านหลังเนี้ยเรายึบเป็นเบ็ดเสร็จแล้วเป็นของคุณ เ, เ, เราเราไม่ทิ้งคุณหรอกต้องขอร้องก็แล้วขอร้องเขาขเร า, าเขาอนุญาตทีอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวพอนะต้หนหาเขาเ <c oughs> ขา อ, อนุญาตมางั้นนะใช่ไหมห้ามมากกว่านั้นนะ <c oughs> มากร <Okay. S 2> เดือนหนึ่งครั้งพอ เราเกรงใจเลยเราเกรงใจวัถกิเลสกรรมเยอะบางทีต้องขออนุญาตในี่เฝ้าพระเจ้านี่แค่จะไปเฝ้าพเจ้าเรานีต้องขออนุญาตกิเลสเลยจิเลยเเนี่ยจะไปธุระขออนุญาตประโยชนจะไปกล่าวพระเจ้าพอย่าไปยันล่ะเออ เข้าใจไหมที่เขาพูดอย่างนี้เราเก่งใจวัตถุ ก, การมกิเลสกรรมมากแต่เราไม่เคยเก่งใจพ ร, าาระพุทธเจ้าหูพระเจ้าสร้างบารมีมาในยี่สิบประสมคขายยิ่งแสนคำถ้าเพราะนะถ้าพราะองค์ไม่มีชังผู้เปรคขาเหมือนอาตมาอาตมาไม่มีิจรังก็เปรคขาเนี่ยไม่มีเลยนะที่จะมาเฉยๆกับอารมบังอารมณ์ได้ ยังมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีสติสัมปชัญญะอยู่นี่เป็นอันนี้เป็นสติปัฏฐานของพระผู้มีพระ้าคยาวแต่มาไม่มีตรงนี้วนเวลาไปสมัยก่อนไ ป, ไปคุยกันยศพ่อยศแม่คุยคุยคนเรื่องกันเลยอะไอ้เราเขาบอกให้เทเลนก็สอนก็นทำอยู่ก็เป็นก็ แล้วบอก เ, อ ด, เอ ด, ดี๋ยแค่ฟังธรรมาตัานเดียวเนี่ยจะ็ความเพลินของท่านเลยนะแต่พังยังออกไปไปขุดดินปักปักแกทน ain, เแกก็ทํางานยันทำงานเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาิยาสายเงี้ยหยุดไม่ได้หยุดป่วยก็เห็นไหมนะคนหยุดงานไม่ได้หยุดป่วยก็เห็นไหมนี่ยอมพออย อ, อยมแม่หยุดไม่ได้แล้วหยุดป่วยเลยต้องทํำตลอดอออืืคิดกินใจตัณหาขนาดนี้เลยหยุดไม่ได้เลยอ่ะ งงงงมือเอ้ยถ้าเลยพูดไปบางทีต้องทํางานไปต้องไปถากง่ายจะเมื่อยต้องกินยาเลยงั้นต้องไปถากไปตัดให้เลยทั้ำบางที่เปิดธรรมะทิ้งไว้เนี่ต้องทํางานไปด้วยสารตะกร้าสารอะไรง่าไปถ้างั้นจะทนไม่ได้จะให้นั่งฟังเฉยๆจะทนอยู่ไม่ได้เลยคือจะต้องมีธรรมะส่วนหนึ่งแล้วก็นั่งฟังไปลองคิดดูในใจแกจะจะน้อมไประามได้เท่าไหร่นี่ไง ตันหาไม่ยอมเลยอ่ะบอกว่าจะฟังทำก็ไม่ได้ถ้างั้นเราขออยู่ด้วยเอายอมถ้างั้นนะอยากจะฟังทำเล็กหน่อยเนี่ยบอกว่าให้ฟังแค่สิบเปอร์เซ็นนะเก้าสิเปอร์เซ็นต์เราจะเหยียคุณก็แค่ขนาดนั้นที่นี้มันขนาดนี้เลยเอ๋อแล้วมันมีใครตั้งใจฟังเพื่อทำจริงๆสักกี่คน นี่ก็ไหนที่ฟังทำไปแล้วก็ไม่มีไ ม, มไม่มีวัตถุ ก, การเข้ามาแทรเลยแหะเอาอย่างนางมาลิกาสามีตายแล้วก็นั่งฟังทำเฉยหเหมือนเศรษฐีที่เขากาลังปล้นบ้านขนทรัพย์ออกไปก็นั่งฟังทำเฉยคนใช้มาบอกก็เฉยเฉยเฉยอย่างเงี้ยนะหรือว่ากลับมาเศรษฐีท่านนึงไปทําบุญไปเสร็จถวายพระไม่เสร็จแล้วก็เผากุฏิก็เผาบ้านหลังนั้นท่านไปเสร็จแล้วแกบางที้็จะได้ทําบุญใหม่ที่นีอย่างเนี้ย มันไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่มองเห็นไงที่จะได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะต้องตั้งทีตั้งท่าอย่างไงในการที่จะไขขวอในการที่จะคิดตรงนี้ประการต่อมาก็คือว่าคําว่าวานะเป็นชื่อของตัญหาณิวตัณหาเนี่ยเขาเย็บกรรมไว้กับกรรมเย็บพบไว้กับพบแล้วกรรมไว้กับผลของกรรมเย็บพบกับพบไว้ติดกันส่วนนิพพานเนี่ย เขาเรกว่า น, นี่วานนะนี่เป็นคนเห็นไหมวานะคือตันหานี่วานะคือคนเนี่ยตันหาวานะเนี่ยจริงๆก็คือนิพานนั่นแหละมันเป็นหลักของไวยากรณ์หลักของภาษาเขาหลักของเกี่ยวกับในเรื่องว่อาอักษรเขาเปลี่ยนเปลี่ยนจากวอลแวนเป็นพอพานใช่ไหมเขาก็มีค่าเท่ากันเนี่ยยังเขียนว่าสุพันเนี่ยก็คือสุวรรณนั่นเอง ใช่ไหมก็คือสวรร น, นั่นเองก็คําเดียวกันนะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือกลายเป็นนิพพานไปนิพพานนั้นออกจากอะไรออกจากวานนะวานนะคือออกขีตัาหาข้อนั้นนะ่ะเพิ่งเป็นความบอกว่าสัตว์โลกเนี่ยสัตว์โลกนี่เป็นผู้ติดใจอยู่ในวัตถุกรรมอะไรแล้วอยู่ในวัตถุกา ร, รมด้วยอํานาจของกิเลสกรรมทั้งหลายการที่เรานั้นจกประกาศพระธรรม จะเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยกายด้วยไหมเป็นความลําบากกายด้วยเป็นการลําบากวาจาในกายด้วยแต่ในพระมหาไทยของพระพระเจ้าไม่มีความเหน็ดเหนื่อยหรือความลําบากทั้งสองอย่างนะพระเจ้าไม่เหน็ดเหนื่อยหรอแต่ว่าความเหน็ดเหนื่อยกายเหน็ดเหนื่อยวาจาในการที่จะต้องจาริกไปใช่ไหมตามที่ได้กล่าวว่าแค่พระบาทของพระพุทธเจ้านั้นก็ต้อง ประดับไปด้วยรัตนมงคลหนึร้อยแต่จะต้องมาเหยียบย่ําตามสถานที่ต่างๆในโลกใบ น, นี้เพื่อเดินไปนโปรดเวนนยสัตว์เนี่ยมันเป็นความลําบากเพราะวรกายของท่านหรือในขณะที่พระ อ, องค์จะต้องนั่งอยู่นานๆแล้วก็ต้องขยับพระโอถ์ในการประกาศพระธรรมให้กษัตริย์พูดติกอยู่ในอะไรเนี่ยเป็นความเหน็ดเหนื่อยหัวาจาของท่านใจของท่านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเพราะในใจของท่านไม่มีราคะโทสะโมห oh ะ มาหนา้าที่ถือวิจิกริชาริยุทธการด้วยพะอุทษาเลยนะแค่นั้นพอพระองค์พิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จพระองค์ก็เลยขวัญไหวน้อยทีนี้การปริวิตกเนี่ยประการต่อมาคือว่าตอนนั้นที่บอกว่าด้วยการปฏิบัติลำบากนั่นมรติคือโสดาปฏิมรติสกาาัตาคารมิมรติอนาคามิมรติอัตถามรติเป็นต้นเนี่ย เป็นการปฏิบัติบัดสะดวกแด่ผู้รับเจ้าทั้งหลายเป็นปฏิภาปเป็นปฏิปทาที่นำมรรคนำผลมาให้พราะผู้มียภากเจ้านั้นผู้ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ในความบาเพ็ญบา ร, รมีตอนนั้น mm hmm. ใช่ไหมถามบอกว่าพระทรงตัดศีรษะที่ประดับตกแต่งของตอนเองเนี่ยนะนำเลือดออกจากพลำคอเนี่ยเพื่อสร้างบา ร, รมี ควักพระเนตรที่หยอดที่หยอดยารักษาแล้วอย่างดีแล้วเป็นต้นประทานของละบุตรเอยภรรยาเป็นต้นในวงตระกูลหรือภรรยาที่น่าละลาดสิ่งอื่นๆมีการตัดอวัยวะเนะี่ยในอัตภาพนับไม่ถ้วนเลยนะหรือในขณะที่ถูกครรภมานจากการที่จะต้องบำเพ็ญกันติ บารมีเนี่ยตอนเป็นขันติวาธีดาบดเป็นต้นเล่เนี้ถ้ามาพิจารณาดูบอกว่าพระองค์กระทำนั้นมีการุณาในการที่จะโปลดจัดขนสัตว์หรือสัตว์แต่พอได้ตัดสู้เบ็เสร็จ เ, เนี่ยองมาพิจารณาดูทีว่าพอใช้พุทธานตรวจดูกระแสความคิดของสัตว์สัตว์โลกไม่มาตามพระองค์เลยทา ในชีวิตของเราเนี่ยเน็ดเหนื่อยเอาแค่ชีวิตของเราเนี่ยเน็ดเหนื่อยเพื่อลูกเพื่อหลานมาตลอดแต่หลานทุกคนเนี่ยเป็นหลานเกลูกทุกคนเป็นลูกที่เกเรหมดเลยเราจะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเป็นความเหน็ดเหนื่อยมากเลยเราจะพูดตลอดเวลาทําให้ใครทาให้ใครแต่พระเจ้าลําบากกายใจใจให้ลําบาก แตพิจารณาไปแล้วก็สงบอยู่ในชลังกุเปขาเลยไม่พอชลังกุเปขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกรุณาก็จะไม่ได้ช่องในการที่จะเข้าไปสู่กระแสนี่ไนงะฉะนั้นกระแสคือพุทธิยานั้นตัดสู้ง่ายอยู่แล้วแต่สัตว์ น, นั้นนะนะสัตว์นั้นไม่ควรที่จะตัดสู้ไม่ควรที่จะแสดงธรรม ที่เราบรรลุได้ยากคือการแสดงธรรมที่เราเรียนมาแล้วประโยชน์อะไรด้วยการแสดงธรรมนะก็คือสัตว์ที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงําแล้วอันราคาโทสามอกครอบงําแล้วเนี่ยย่อมจะเป็นไปตามราคะโทสามโมหะเพราะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ทวนกระแสปฏิโสตคาเมียปฏิโสตคามิงโสตาาโตนั้นแปลว่ากระแสแต่พระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่เสริทนกระแสทกสมุทยัยทิโรอมรรคนั้นทวนกระแส สภาวะมีความเที่ยงเว็ต้นใช่ไหมก็หมายความบอกว่าทุกสมุทัยเนี่ยขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันทวนกระแสก็หมายความว่ากระแสของเขากระแสของขันท่าไดยตนะเนี่ยของเขาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นหน้าตาแต่สัตว์โลกนั้นเป็นผู้เห็นทวนกระแสของความจริง สัตว์โลกไปเห็นว่ามันเที่ยงมันสุกมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นของดีเป็นของงามเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินใช่ไหมฉะนั้นความเห็นของสัตว์เนี่ยมันทวนกระแสตามความเป็นจริงแปลว่าใจของสัตว์นั้นมันน้อมไปในการเห็นว่าเที่ยงเห็นว่างามเห็นว่าสุกเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมสัตว์โลกเห็นอย่างนี้แต่พระธรรมของพระเจ้ามาบอกว่า ขันธาตุยัตตนาตาหูยมุกลิ้นกายใจยังไม่เที่ยงมันทวนกระแสเขาเนอะมันทวนความคิดเขานะเห็นแบบเนี้ยใช่ไหมไม่เห็นว่าเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกเนี้ยมันเป็นอนัตตามันทวนไหมล่ะทวนความคิดของสัตว์หมดทุกประเภทเลยเอาสิเขาเห็นว่างามอยู่ดีๆพระเจ้าไม่งามเห็นว่าเที่ยงอยู่ดีๆออกไม่เที่ยงเห็นว่าศกอยู่ดีๆบอกมันเป็นทุกเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ดีพระรจ้าบอกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเอาสิ ทวนความคิดของสัตว์ทันทีเลยงั้นสัตว์โลกเนี่ยเห็นเห็นเห็นไปตามวัตตะแต่พระเจ้าเนี่ยตัตรู้สิ่งที่ทวนวัตตะงั้นสัตว์บรรลุยากแน่มันรู้ยาก เ, รากเพราะว่าธรรมคือสัจจสีนั้นทวนกระแสมีความที่ยังเป็นที่เป็นไปแล้วเพราะเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาเป็นดัชนีพากฎ ค, ความเม่งา สัตว์ทั้งหลายยินดีด้วยความกำหนัดยินดีด้วยความโกรธยินดีด้วยความหลงเป็นต้นเราเนี้ยนะสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นสภาวะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้เป็นอนัตตาแล้วเป็นอนัตภาใครๆก็ไม่อาจจะทําให้สัตว์ที่ไม่เห็นเหล่านี้ให้ยึดถืออย่างนี้ไนดะ้เพราะเขาถูกกองแห่งความมืดคือโมหะเนี่ยปกคลุมแล้วบาลีท่านใช้คําว่าตโมโอคันเทนะ อาวุตาคือกองอวิชาทับถมกองความมืดคืออวิชานี่ทับถมอย่างยาวนานแล้วฉะนั้นสัตว์ที่มืดบอดด้วยกองคื อ, อวิชาทับถมเนี่ยอย่างมากอย่างหนานแน่นเนี่ยทับถมขนาดไหนดีเอานี้ถ้าเราจะห า, มาเมล็ดผักกาดสักเม็ดหนึ่งที่ถูกภูเขา สิเนลุทับไว้ยากไหมละ่ะแล้วจะขุดไปเอาเมล็กงามเม็ดนั้นเนะี่ยยากไหมละ่ะเมล็ดประกาศในเม็ดนั้นยากไหมนั้นแหละสัตว์โลกก็ถูกเอวิชานะี่แหละทับอย่างนั้นแหละอุดจนทอ้อไม่อยากออกอีกพวกเลยเนี่ยเนยท้อไหมละ่ะนั่นถ้าไม่ขนขวาไม่ได้ลอจริงๆมันจะออกกันยังไงเนี่ยแล้วมันจะออกอยังไง มันจริงๆใช้คําว่ามันไม่มาทําเราแล้วเพอเพื่เจ้าขนขวายน้อยทันทีเลยก็เชาว่าตะโมกขังเทนะอวุตาเนี่ยกองอวิชาทับถมฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพระองค์เลยใช้คําว่าอโปสุกตายะเพื่อความผนขวายน้อยเกิดขึ้นทันทีเพื่อความผนขวายน้อยก็เกิดขึ้นทันทีเลยความเป็นผู้มีมประสงค์ในปราศจากเนี่ะก็ผลขวาย ถามว่าก็เหตุไรพระบรมาศาสดานี่เนีตั้งความปรารถนาไม่ใช่หรือเพื่อจะทําให้สัตว์นั้นหลุดพ้นทําให้สัตว์นั้นข้ามทําให้สัตว์อื่นนั้นตัดรู้ตามเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยเพศที่ผู้อื่นไม่รู้จักใช่ไหมประโยชน์อะไรด้วยธรรมที่เรายังไม่ได้รู้แจ้งเราบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วจักยำมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวลโลกนั้นให้ข้ามฝังเนี่ยถามว่าองค์ตั้งอธิยาศัยว่าอย่างนี้ใช่ไหม เมื่อพระองค์ตั้งอธิยาสายไว้อย่างนี้แล้วทาไมจิตของพระองค์จึงน้อมไปในการขวนขวายน้อยทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทั้งๆที่ผมเป็นบารมีสิบมาใช่ไหมทั้งทานบารมีศีลบารมีเนคขมารปัญญาวิรยิยขันติสจ่าทิฏฐานเมตตาและกุเบขาถามว่าบําเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเนี่ยฉะนั้นการที่พระองค์จะบําเพ็ญบารมีมาขนาดนั้นเนี่ย ก็จิตของพระ อ, องค์นั้นน้อมไปในไหนหรู้ไหมน้อมไปบรรลุสัพพน้อมน้อมไปบอกว่าจิตของพระผู้มีพระเจ้าน้อมไปอย่างนี้ว่าก็ด้วยอนุภาพแห่งปัจจเจกขณะยานปัจเจกขณะยานคือยานที่ไปพิจารณาการบรรลุของต้นเองจริงอยู่เมื่อพระ อ, องค์บรรลุสัพพยุตยานนีน่แล้วพระองค์ก็พิจารณาความที่สัตว์นั้นถูกลบชักคือกิเลส กิเลสมันเป็นรกชัดเนี่ยตัณหาก็ลบชัดทิฏฐิก็เป็นลบชัดเอาคาว่าลกลกชัดนี่เขาใจไหมเพื่ออะไรอ่ะก็เห็นน้ําไผ่ไหยไม่ใช่ก็เห็นน้ําไผ่ไหมละ่ะน้ําไผ่ที่มันเกาะแขนงไผ่เกาะกันยังหนานั่นเลยถามว่าเข้าไปยากไหมเข้าไปตัดกอไผ่ยากไหมโอ้โหมันรกชัดฉะนั้นกรณีที่เราจะป่าตัวกิเลสเข้าไปเนี่ยสางกิเลสออกจาก จากใจที่มันยุ่งเหยิงนุ่งนางไปหมดแล้วเนี่ยเราสางยากไหมล่ะมันต้องใช้มีดคมๆใช่ไหมใช้ตะขอที่คมมากในการที่จะตัดคือรกชัดนั้นเนยมันจะต้องตัดขอขแขนงไผ่หรือรกชัดแ น, นั้นออกที่มันก่อเกี่ยวทั้งหลายเหล่านี้ที่มันผูกพันนี้ที่มันพัวพันทั้งหลายเลยนะ ไอ้รกชัดคือกิเลสรกชัดคือขแขนงผายทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องใช้มีดที่คมมากจะขอที่คมมากด้าม ด, ดีในการที่ไปเกาะหรือไปกระชากให้มันขาดให้มันหลุดใช่ไหมอริยมร์เท่านั้นแหละมันถึงจะกระชากไอ้รกชัดนี่หลุดออกจากกระแสจิตของศัต ร, ร์โลกได้ถ้าไม่ได้ระดับอริยมร์นี่มันฉะไอ้กระชากไอ้แขนงรกชัดนี่ไม่ได้รกชัดคือทิฏฐิคือโมหะคือมานะคือตระหาเป็นต้นหตเหล่านี้ยใช่ไหม นั่นต้องใช้ระดับอย่างนั้นจริงๆในการที่จะไปกอกไปกระชาลกลบชาติกิเลสความที่ทํำจะเป็นกล่องลึกซึ้งถามบอกว่าถ้ามันมีแขนภัยล้อมอย่างนั้นแน่นเลยนี่เราอยากจะได้ไม้ไัยล้ํำสวยๆข้างในอ่ะมันต้องมันจะทํำยังไงปราถนาอยากจะได้ไม้ไผ่ทายัางไงเดินเข้าไปมือเปล่าได้ไหมไม่ได้ปราถนาจะพ้นทุก ไม่ไม่บาเพ็ญสิกขาไม่บำเพ็ญบารมีสิบไม่พ่อคูณศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญามันจะเข้าไปจัดการยังเอาไม่ไผ่มาได้ไหยไม่ได้มันต้องเพียรพยายามแล้วเร่งทำแล้วทําไม่ถูกด้วยไม่ใช่ว่าไปด้วยมือเปล่าก็ไปนั่งร้องไห้ตรงนั้นเลยไม่ได้บรรลุหรอกมันี่มันไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์ตอนนี้มีหรือยังอ่านุศีนที เนื้อสมาธิเนื้อปัญญาที่แค่ไหนจย่งเงนนะบ่มเพาะยังไงรับดีแล้วอยังปัญญาบนหินคือสมาธิหินเราตั้งอยู่ดีแล้วยังที่บนศีนนลศีลเราอบรมมาดีหรือยังแจกสตาคือการฟังธรรมฟังธรรมแล้วไปฟังนองไทยของพระเจ้าจริงหรือไม่อะไรเงี้ยเราก็ไปใช่ครวนอย่างเงี้ยแล้วจะได้ชัดเพราะยัมองเห็นนะ เนี่ยถ้ามองเห็นก็เห็นความเชื่อมโยงสืบสอบสืบสายนี่เราจะได้เข้าใจว่าการบรรลุเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องต้องลิ้งเล่แต่ไม่ใช่รีบในขณะที่เร่ไม่ได้ข้อมูลถ้างั้นก็รีบก็หกหมดเหมือนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยรีบไปแล้วเนี่ยแต่ไม่มีข้อมูลเลยไม่มีพระธรรมคําสอนเรื่องต่างนั้นรีบไปเมแล้ววิ่งไปจะไปจัดการเนี่ยอีกลบชัดคือแขนไปทั้งหลายเนี่ยแต่วิ่งไปไม่มีนี่ กลับมาหม่นี่เป็นความมีดไปเขาบอกนี่ไงมีดมีอะไรจัดการกับโรกชาติเขาให้มีดกีตาร์อะไรงี่ไไงนะส่วนหนีเมื่อเครอือเขาวิ่งเข้าไปก็ฟันตายอย่างนั้นเนี่ยไม่ทันถึงกอไผ่ก็เป็นนอนกองตายอย่นอนองางนั้นในสังสารวัตนี่แหละมองเห็นเลยเนี่ยมันมันเข้าไม่ได้มันเจาะไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องอุปกรณ์ดีต้องมีข้อมูลต้องมีความเข้าใจไว้จะเข้ายัางไง เราจะเลาะทั้งหมดหรือจะเข้าไปแค่ช่องเข้าไปเป็นรอดแค่เอาลำนะถ้าจะเอาทั้งหมดก็ทานบรารมีทานอุปปาลมีทานปรมัตถารามีให้หมดเลยสามสิบทัดเลยยี่สิบประสงค์ขายสี่สิบแปดสิบนี่เราจะต้องการที่เตียนโล่งหมดเลยทีนี้ที่มองนั่งกระดิกเท้าดูยาวลำไหนก็ได้เ <laughs> พลินเลยเดินหลายรอบอ่ะเอาไหมละ่ะ หรือจะเอาเพื่อช่องไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมเฉพาะตัวหรือไม่ตัวเข้าไม่ได้หรอกทำเป็นช่องเล็กๆแต่สอดไม้นเข้าไปกระชากออกมาลําเดียวไปเลยเหรือยาวอย่างนั้นก็ดูบา ร, รมีดที่จะทำํำมองออกว่านี่จะเอาอยัางไง ร, รี บ, ร, บรีบคิดเสคุณกลับไปไปหามไปหามมีดเข้ามีดไม่มีอะไรคือด้ามใช่ไหม เด้าไม่มีเราจะรับอะไรหินน่ะตั้งอยู่บนแผ่นดินคือศีลยังไงอศีนก็ยังไม่เกิดเลยเอาที่สุดท้ายเกิดเสียตรงนี้ในพระเจ้าให้ชัดก็ไปนั่งปรึกษาทั้กลุ่มย่อยเป็นไรเดียสมลมผู้ปรารถนาออกจากทุกข์เอาที่ไหนไปตั้ง <laughs> ใช่ไหมไปตั้งเลยกลับไปก็เรียกสมาชิ คอยนะยังมาพิัยคอเรนะียก็ยิงได้ของมนะูลแล้วเอาใครจะไปกับเราบ้างที่ 1, 6, อะไรหนึ่งสองสี่ห้าธนะิบายนเสร็จเขาก็จะพาพูดออกาคุณไปคนเดียวนะ ท, ท้อไหมซะเจียอย่างนะั้นอย่าไปท้างนั้นอย่ไปถ้าชวนใครไม่ได้ก็ชวนใจตัวเองถ้าชวนใครได้ก็ชวนเข้าถ้าเขาไม่ไปกับเราด้วยก็ไม่เป็นไร เราจะไปกับเขาก็าแล้วกันบอกไปเขาเนี่ยยุ่งเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยช่วยเราไปแ ย, ย่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปวิบากพี่ป้าเขาจะยังมองไม่เอาด้วยหรอกใช่ไหมชวน่วยถามลูกสิแต่ละคนเอาไหมไม่เอางั้นคนละทางนะรู้จักกันชาตินี้พอช่วยหลานนี้ไปไหมไมปงั้นเจอกันชาตินี้พอเอาชวนพี่น้ะไปไหมไม่ไปหลังลนั้นเราคนละทางเลยคนละทางเลยอ่ะมันมีทางเจอกันจริหรอก แต่ก็นละทิศเปิดคนละโลกด้วยด้วยแสนกวดจักรวาลมีโลกหมดเลยมีสัตว์หมดเลยแล้วพวกเรามาเกิดกันตรงนี้ได้บุญในเนี่ยยังหมดบุญกันอยู่แล้วยังคิดยังคิดไม่ได้ออกเลยเนะนี่บุญแสนบุญเลยเนี่ยดีแสนดีขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าอธัธยาศัยเคยตั้งไว้เคยตั้งไว้พอสมควรเลยแต่เราลืมลืมหลังลืมอดีตกัน ลืมตื่นซะเดีเยนี้รีบตื่นมาซะเขายังยังรีบตื่นมาซะอย่าหลับกิเลสเป็นเชองความหลับตื่นจากกิเลสซะแล้วก็รีบใคร่ควรเดี๋ยวเขาไปแล้วเดี๋ยวเราก็แผ่เมตตากันะ นัน่งนั่งสงบกันสักนิดหน่อยปิดเอาไปนั่งนั่งปิดปิดกันสองสามนาที พิจาอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้ราเกิดมข้อมูลพิจารณาทีะเขาไปทอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาดูนี้ว่าเออสังสารวัฏมีโทษมีภัยมากจริงๆทีนี้ใจของเรานั้นน้อมถึงคุณของพระผู้ทธมีพระเจ้านั่นที่ตอนนี้เราเชื่อมดูที่ว่าศรัทธาในตถาคตะโพธิศรัทธาในคุณของพระผู้ทธมีพระเจ้านั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทรงตัวหรือลดลงเนาะถ้ามันลดลงก็พยายามเพิ่มศรัทธาให้มากแต่ถ้ามันมีปริมาณที่ทรงตัวก็กระตุ้นศรัทธาให้มีกําลังเมื่อศรัทธามีกําลังก็น้อมไปในคุณของพุทธเจ้า ว, ว่าตอนนี้เราเป็นทาสของพุทธเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระเรียะสงมีพระรัตนไตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าจริงไหย แล้วในแต่ละความคิดของเราท่านทั้งหลายนั้นเรามีตัณหา พ, อพ่อคู่มากมายตัณหาเป็นเพื้อนมาดียาว น, น, นั้นนะก็พยายามพิจารณาเห็นสับจักตรงนี้แลว่าเออถ้าเราไม่มีสารณะเราจะเสียหายก็ไปใไข้ครัวอย่างนี้แล้วก็จะได้รละลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทางจิตใจให้น อ, นอ้อม ตั้งอธิยาศัยไว้เว่าเรานั้นจะตั้งความคิดในการที่จะศรัทธาในพระพุทธเจ้าเดินตามท่า น, นพระพุทธเจ้าเดินออกจากความเกิดเดินออกจากความแก่เดินออกจากความเจ็บไข้เดินออกจากความตายเดินออกจากความวิบัตาิาพเราท่านทั้งหลายก็ตั้งอธิยาศัยที่จะเดินตามปฏิบัติตามพมระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราเนี่ย อย่าปฏิบัติตามบังคัปฏิบัติตามที่เรามีชีวิตเป็นที่สุดเห็นไหมชีวิตต่างปริยัตต่างอ่านชาตัตักเคปานุเปย์ทางกุศลทางสรารนังพระฉามแล้วก็ทมังสรารนังพระฉามีสังฆังสารนังพระฉามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้ า, ข อ, จาขอถึงพระเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นเพียรหรือเป็นเครื่องกำจัดใจได้จริงจนตลอดชีวิตเอาชีวิตมันเป็น เป็นตัวตั้งเพราะตอนนี้เราเป็นโลคิยะสาระคมจิตวมแล้วก็เอาชีวิตนั่นแหละมีชีวิตเป็นที่สุดรอดจุดตีดับเมื่อไรนั่นแหละเราเอาตรงนั้นแหละเป็นตัวตั้งว่าเราจะให้ซืมเนื่องให้ได้ที่เราศรัทธาในวุทิยาอย่างมั่นคงและตั้งมาชีวิตเป็นเป็นที่สุดรอดถ้าการขาดลงแห่งรูปประชีวิตะนามปชีวิตของเราท่านทั้งหลายวันไหน นั่นแหละคือวันนั้นแหละหยุดสาระขาดณขนาดจิตนั้นเลยไปในพบต่อไปถ้าอัทยาศัยเราตั้งดีเรามีโอกาสจะเชื่อมสาระต่อได้แต่ถ้าไปเป็นนนเนสอบายศัตร์เราหมดสิทธิ์เลยนะเราจะไม่สามารถเชื่อมสาระได้หรือถ้าไปเป็นวิฉาทิฏฐิบุคคลหรือเป็นคนบ้าใบาบอดนวลจบเลย ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายโอกาสมีสารณะเหลือน้อยลงน้อยลงห น, น้าหวาดเสียวยิ่งนะห น, น้ากลัวยิ่งนะสารณะขาดแล้วเราตอบสารณะไม่ได้เราต่อพบได้เย็บพบต่อพบเย็บกรำต่อผลของกำตาหูจมูกริ้นกายใจเนี่ยมันขาดกันต่อกันนะ